ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายแต่หรงประพุทธญาณกำลังนำเสนอมาถึงตอนที่ผู้เจ้ารับสั่งแก่ท่านอุปกาชีวค่งมีความข้องใจสงสัยในสถานะของพระองค์เพราะเมื่อท่านสังเกตจากรูปลักษณ์ข้างนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออินทรีย์ที่ผ่องใสคือภาษาสัมผัสที่แสดงถึงความผ่องใสความสงบภายในและผิวพันธ์บริสุทธิ์สะอาดหมดจุดจังตามปกติแล้วนัก บ, บวชในสมัยนั้นก็ใช้วิธีการทรมานร่างกายผิวพันธ์ส่วนใหญ่ก็จะเศ่้าหมอง แต่พระพุทธเจ้ากลับทรงกันข้ามเพราะงั้นอุปการชีวคจริงๆก็คือนัก บ, บวชประเภทอาชีวกก็เกิดข้องใจสงสัยเต็รกราบทูลถามแต่ว่าท่านเองก็ไม่ ไ, มได้เคยคิดนะฮะว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ถามว่าท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจทมของใครคือคำถามทั้งสามคำถามนั้นแสดงว่าท่านเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็คือนักปวดคนหนึ่งที่มาจากสำนักใดสำนักนเพียงแต่ว่ามีจุดเด่นเป็นพิเศษเท่านั้นเองพุทธเจ้ารับสั่งว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงอันตัญหาและทิฏฐิไม่จากทาแล้วในธรรมทั้งปวง ถ้าทําเป็นไปในภูมิสามได้หมดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาเราจะสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึ่งอ้างใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีคนเช่นเราก็ไม่มีบุคคลเสมอเหมือนเราก็ไม่มีในโลกกับทั้งเทวโล ก, กเราเป็นอรหันต์ในโลกเราเป็นศาสดาหาศาสดาอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ ก็ได้พูดมาถึงประเด็นตรงนี้ประเด็นต่อไปรับสั่งว่าเราพูดเดียวเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะคาว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะนั้นเป็นชื่อของพระอาหารหันต์คือพระหันจะจําแนกไว้เป็นสามระดับระดับหนึ่งเรียกว่าอาหารหันต์สัมมาสัมพุท ธ, ธะคือท่านที่ศัตรูุดีสัตรูชอบด้วยปรองเอ e แล้วสอนบุคคลอื่นให้ศัตรูตามด้วย ปเจกับพุทธานั้นเป็นการบรรลุมรรคผลเฉพาะตนที่จริงก็มีลักษณะจัสรูเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่สั่งสอนในรูปของการปฏิสถานระศาสนาจะมีการกล่าวธรรมกถ า, าสั้นๆการให้ศีลให้พรแก่สาธุชนแต่ตามปกติก็จะอยู่ในป่า เท่าที่พบตำนานทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้เนี่ยบอกว่าอยู่ที่ภูเขาคันธรามาหรือที่ปาหิมพานและสาวกพุทธะหรือหันตพุทธะหรือสาวกพุทธะเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลโดยการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามที่พระอารหาันตสมมาสมุติเจ้าทรงแสด ง, สดง ผลความเป็นอาหารตสมาสมุทะก็คือสัสรูอริยสัจสี่โดยผ่านญาณทั้งสามดังที่เคยกล่าวไว้ในตอนที่ว่าโดยการจัจสรูที่คุณลักษณะของผู้ที่มาถึงจุดตรงนี้สงใช้คาว่าเราเป็นผู้เย็นใจเป็นคุณลักษณะของจิต ท, ที่สมัมผัสนิพานโลกิเลสมันจะเผาให้ร้อน เราสังเกตเวลาขาาก็ดีโลภผักก็ดีโทษสะก็ดีโมห ก, ก็ดีมันร้อนแล้วบางทีก็ลามปาลไปถึงคนอื่นคือแบลไปแผดเผาคนอื่นให้ร้อนด้วยาทีก็สร้างปัญหาขึ้นมาระดับโลกก็มีซึ่งถ้าเราดูให้ดีถ้าเชื่อมโยงกลับไปให้ดีก็จะเห็นว่ามันมาจากกิเลสภายในใจของผู้นา ถึงอาจจะเริ่มต้นเดียวไม่กี่คนแต่ว่าเมื่อท่านดับไม่ได้มันก็ลุกลามไปเรื่อยก็กลายเป็นสงครามครามโลกมายุทธสงครามโลกสองครั้งหรือพวกวรรณคดีของอินเดียมาหายุทธสงครามสองครั้งใหญ่น่ถ้าเราดูให้ดีแล้วก็เห็นว่าเป็นแรงกิเลสที่เผาหลนใจของคนเราท่า น, นรุนแรงจนควบคุมไว้ไม่ได้ก็ออกมาในรูปของการทําลายล้างกันแต่ถามว่าทำไมจึงเป็นผู้เย็น เพราะว่าดับกิเลสได้แล้วการดับกิเลสนั้นที่จริงแล้วมันก็ดับไปหลายระดับระดับหนึ่งเป็นการดับในขณะนั้นๆเร า, า จ, จะเหนียวนึกถึกนึกขึ้นมาเองแล้วห้ามใจไม่ให้ถึกนึกถึงเรื่องดหกนั้นบางครั้งบางคราวก็มีแรงกระตุ้นมาจากข้างนอกมายั่วยุวยวนหรือว่ายุแย่อะไรต่างๆก็ตาม แต่เราก็มีปัญญามีเหตุผลมีสติมากพอที่จะไม่รู้อำนาจแก่รมซึ่งถูกยั่วยุยุวยวนอย่างนั้นแนวตัวนี้เป็นแนวที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เราเรียกว่าตาทางกับวิมุตคือจิตมันหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆแต่ตอนนี้ทรงใช้ในฐานะที่เป็นอาการก็คือดับ กิเลสบันดาบไปแล้วแต่กระดับนั้นเป็นอดีตก็หมายความมาหลุดพ้นจากกำนัาของกิเลสตั้งนี้ีแนวหนึ่งเป็นแนวที่อยู่ระหว่างกลางคือเป็นแนวที่เรามีธรรมะอยู่ภายในใจจะเราเมตตาต่อใครสักคนหนึ่งคนนั้นอาจจะก้าวร้าวอาจจะรุนแรงอาจจะแสดงความไม่เคารพ หรือศระมาาดูถูกดูหมินดื้อดึงแต่เราเห็นว่าวุฒิภาวะเธออย่างน้อยเป็นลูกหลานกอดทนได้ให้อาภัยได้ไม่ถือสาความใดแล่ถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นเหยาวเคล่ามากกว่านั้นเม่ว่ากลายเป็นภาพที่น่ารักไปเห็นลูกหลานเล็กๆสองขวบสามขวบเนี่ยฮะมาด่ามาอะไรต่ออะไรก็สน โอ้เมเมตีลังกาไปมันก็ดูแล้ว ก, ก็เป็นภาพน่ารักไปอยู่บางคราวบางคราวเป็นผู้ใหญ่เป็นญาติผู้ใหญ่ระดับปู่ญาติตายายนะฮะเราก็มองแล้วก็เหมือนกับให้สีหน้่อนไปนั้นแสดงว่าถ้าใจมันมีความรู้สึกดีแล้วก็มีกำลังมากพอแม้จะถูกย่ยุยงยวนมาจากข้างนอก ก็สามารถบรรเทาความรู้สึกเหล่านั้นออกไปได้ลงไปได้แต่ว่าโอกาสจะกําเริบเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีได้มันขึ้นอยู่สภาพจิตเราในขณะนั้นๆว่ามันมเป็นยังไงและแรงกระแทกเนี่ยก ร, รกระแทกแรงหรือกระแทกไม่แรงซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยแรงกระแทกแรงเกินไปนะะมันก็ทนไม่อยู่เหมือนกัน ถ้าเราศึกษาในเรื่องเหล่านี้เร า, า จ, จะดูอย่างเหตุการณ์ในเรื่องรามาเกียรเนี่ยมันมีอยู่หลายตอนอย่างเช่นตัวอย่างทศ ก, กัณฐ์ที่เกิดมาเป็นเพียนในเกิดการเยสิตก็หมายความว่าถ้าทำประสบความสำเร็จแล้วในี่ใครฆ่าก็ไม่ตายรามก็สรงอนุมานไปก่อกวนพิธีกรรมเหล่านั้นก็ทำสารพัดจะทำ กาแสดงวทรสการ์ก็มีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวมีความอดกลั้นอดทนสูงแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมนุษย์ก็มีจุดอ่อนพอ ก, านานก็นางมนโทมากระทาย่ำยีต่อหน้าวรตสการ์ก็เป๋ตบาดแตกเหมือนกันอีกระดับหนึ่งนั้นเป็นการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสด้วย พลังของสมาธิเนี่ยพลังสมาธิพลังของฌานคือจากใดที่สมาธิยังไม่เสื่อมหรือฌานยังไม่เสื่อมเนี่ยกิเลสมันก็กำเริบขึ้นมาไม่ได้ที่ตันอุปมาเหมือนกับเอาศิลาไปทับหญ้าไว้เนี่ยหญ้าก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่ก็หมายความไม่ยังมีหญ้าสมบูรณ์นะเพียงแต่ว่าเอาศิลามันทับไว้เท่านั้นเด็ก ที่หนึองเป็นการของพระพุทธเจ้านี่ดับกิเลสอย่างสิ้นเชิงนะฮะจะดับได้ขาดเรียกว่าดับโดยไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลยก็เป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ทานองคล้ายๆกับอารมณ์ที่มากระทบจากข้างนอกเนี่ยเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่อลองสังเกตนะฮะถ้าไม่หยอดไข่ในในปลาในเนื้อซึ่งมีเชื้อหน้าวแล้วเนี่ย ใครเหล่านั้นก็ต้องตายยัหยดบนกระจกหยดบนไม้หยดบนกระดานอะไรแต่ลรกร็ตามนะฮะหยดเป็นอิฐเป็นหินเนี่ยมันก็ตายหมดเพราะอารม์ที่มากระทบพระพุทธเจ้านั้นที่จริงก็ทั้งบวกทั้งลบนั่นแหละเราจะเห็นว่าบางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าเจอสถานการณ์ในหนักหนาสาหัสกว่าเราทั้งเยอะ เช้า น, นางกินจ่ามานาวิกามาทําชีเป็นท้องไส้แล้วก็อ้างว่าท้องกับพระองค์ขอให้พระองค์มาจัดที่คลอดให้หรือมอบหมายลูกศิษย์จัดการําคลอดให้เล่นต่อหน้าคนเลยนะคือถ้าหากว่ายุคสมัยปัจจุบันอย่างนึกถึงยุคสมัยปัจจุบันนะไม่ทันได้ชี้แจงอธิบายอะไรนะฮะคนก็เชื่อกันเนโลซาพาแล้วว่าทุกได้เป็นการใหญ่ะ เพราะจิตใจของคนเนี่ยมันจะอ่อนไหวหเวลาเห็นคนอื่นถูกกล่าวหาในทางเสียหายมักจะเชื่อเชื่อง่ายนะเพราะว่าไปตอบสนองจิตบิญยาณที่มากไปด้วยความเบียดเบียนที่รีกโอหิงสาวิตกเนี่ยมันอยู่มากอยากจะซ้ำเติมอยากจะเบียดเบียนบุนคคลอื่นแต่ว่าถ้าเขาพูดถึงความดีอะไรของคนอื่นเนี่ยใจจะไม่ค่อยยอมรับหรอกก็ไม่ค่อยอยึหวาบวูบว่ า, ววา เพราะอะไรเพราะว่ามันไอตัวฤทิยานี่ไม่ได้เหยื่อหรือไม่ได้อาหารมันไม่มีแรงแ ต, ตัวมือทีตานั้นก็อ่อนแอนะะคือทําทาใจให้ชื่นชมยินดีไม่ได้เพรา ะ, ะนั่นก็เวลามีการดุจ้องเนี่ยมันไม่ตอบสนองต่อฤทิยาแต่เวลากล่าวหามันตอบสนองความเบียดเบียน คนมนุษย์จริงรับได้ง่ายนะฮะคือคนที่ไม่มีเหตุผลอะไรเนะี่ยจะรับได้ง่ายแล้วบางคราวบางคราวเราก็ดูข่าวครา ว, าวที่ก็มีการโจดท้วงเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าเราอ่านดูให้ดีบอกว่าเอ๊มันก็ไม่เห็นมีสาระอะไรที่ควรแกการเชื่อถือถึ่หนังสือพิมพ์ก็ลงได้นะฮะลงได้ทุกวันเลยแล้วผลท้ายไปเหลือเป็นน้ําไปแต่เขาก็ได้เงินเยอะแล้วนะ จากการลงข่าวสร้างข่าวที่ตื่นเต้นบ่งความพิบัติเดือดร้อนขององคอ์กรทั้งหลายกับบุคคลทั้งหลายเนี่ยเพราะอะไรเพราะสังคมพวกหนึ่งเนี่ยเขาได้อาหารแต่ว่าการดับของพระพุทธเจ้าเนี่ยดับเดืดขาดเพราะงั้นนางกินากดาบรรลูกกามาโจดต่อหน้ากนแต่คนหนึ่งก็ตกใจตายเลยแต่ว่าพระเจ้ารับสั่ง อย่างสงบเย็นไม่มีอาการว่อนไหวอะไรดูก่อนน้องหญิงเรื่องอย่างเนี้ยเราก็เธอต่นนั้นเองที่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงนาจิตดาวอเมริกาก็ตื่นแรงตื่นการเดี็กมีใจใหญ่พอดีไม้ที่เราพ้าคาดท่าท้องเอาไว้ในมันตกโดยความรับก็แตกแต่เราลองมาดูสถานการณ์นะฮะว่ากระแทกแรงมากๆ ทั้งยั่วยุทั้งยั่วยวนทั้งข่มขู่คุกคามในสารพัดพระพุทธเจ้าไปเจญปัญหามาเยอะแต่พระกิเลสเป็นเหตุให้สแสดงอาการขึ้นลงมันไม่มีเพราะว่าสงดับกิเลสได้หมดแล้วนี่ก็คือคุณสมบัติของพระอรหันต์ที่แปลว่าไกลจากกิเลสวังกึ่งอยู่ในฐานะเป็นอภิปูชนียบุคคลของโลก ใครให้การเคารพนับถือหรือแม้แต่ทาจิตได้เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลนั้นโดยส่วนเดียวแรับสั่งเล่าว่าเราจะไปเมืองกาสีเมืองในแคว้นกาสีคือเมืองสาวัตถีเนี่ยอยู่ในแคว้นกาสีกาสีโกศลนะครับมีประเด็นที่น่าน่าสังเกตว่าเมืองพารณาณสีขณะนั้นนะฮะเวลานั้นนะ กำลังเฟื่องฟูด้วยศาสดา ห, หนุ่มฟอ้อคนหนึ่งคือท่านมหาวีระแล้วก็เป็นศาสดาองค์แรกที่เป็นกษัตริย์คือในครูทั้งหกเนี่ยคนอื่นประวัติก็ธรรมดาธรรมดานี่ยบางคนก็เป็นลูกทาสก็ได้ตาไปจะมีมหาวีระท่านเดียวที่เป็นราชโสของกษัตริย์ทิชวีในเมืองไพสลีแล้วก็บรรลุกไกวันนะไกวันก็ก็ เขาบอกว่าเหมือนกันนิพพานนะแต่ว่าไม่ได้ตรงกับของเราอ่ะนะก็ก่อนพระพุทธเจ้าหกปีท่านก็เผยแผ่อยู่ในแคว้นกสีโดยเฉพาะในเมืองพารณาณสีนี่มันเป็นประการใหญ่มากที่ท่านเผยแผ่ศาสนาของท่านอยู่ในยุคสมัยตรงนั้นซึ่งด้านยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยไม่น่าบุกเพราะเข้าไปองค์เดียวแล้วนั้นเอง แต่เราจะเห็นเต็งว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเหมือนขุนสุดที่ยิ่งใหญ่มากๆบุกเข้าไปในประการใหญ่เลยซึ่งศาสนาใหม่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ก็เรียกว่าสดๆร้อนๆเป็นหกปีนะคนก็กำลังบุหรว่ากันพทธเจ้าก็เสี่ยมพระองค์จะเข้าไปในสถานที่นั้น แล้วก็จบลงด้วยการตีพานาสีแตกประวัติศาสตร์ตรงนี้ก็สร้างรอยเจ็บช้ำให้ท่านมาวิระไม่ใช่เบาจากปัจจุบันเป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสี่สิบเท่าไรละสี่สิบสองปีเนี่ยที่ท่านมาวิระเนี่ยตามล้างตามผ่านพระพุทธเจ้าเนี่ยนานยจิตต์มโนวิกากป็ลูกศิษย์เขานั่นแหละที่ไปใส่ร้ายพ ร, ระพุทธเจ้ามีเยอะลูกศิษย์ ของท่านมาวิระที่วางตัวเป็นตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธเจ้าสจัจจานิโครนนี้ก็ใช่นะสะจัจจานิครนเอยท่านอภัยราชกุมารท่านอุบาลีคือหับุดีเยอะบุคคนสําคัญสำคั ญ, คญที่เป็นลูกศิษย์ของมาวิระอยู่ก่อนแล้วก็กลับมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าบางท่านก็ออกบวชอย่างอภัยราชกุมารเนีย่ยออกบวชบรรลุมรรคผลเป็นพระหรัน วันจึงจึงเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเรามองภาพในแง่มุมของประวัติศาสตร์เหตุการณ์ในยุคสมัยทรงนั้นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาาหนุ่มประชาันศาแค่สามสิบหกปีต้นก็สามิห้าปีเต็มนะฮะสามสิหกปีต้นๆได้นั่นเองก็เรียกว่าผ่านมายัางไม่ถึงสองเดือนดีปีที่สามสิหกนั้นยังไม่ถึงสองเดือนดีก็ถือว่าสามสิห้า แต่ว่าก็กระหารฉันชัชยเข้าไปในประการใหญ่ของศาสนาอื่นซึ่งไม่ได้มีเฉพาะศาสนาเจ น, นะพวกเครือพราพวกครูทั้งหกนี้เขาก็มีอยู่ในสมัยในในเมืองพาราณสีแล้วก็เราจะตีกลองอมตะไม่ใช่เพื่อประกาศธรรมจักให้เป็นไปอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะคร เขาเรียกว่าเป็นพุทธประเวณีคือเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในโลกนี้เวลาเสด็จอุบัติขึ้นแสดงธรรมะครั้งแรกก็คือแสดงธรรมจักก็ธรรมจักอย่งที่แสดงเนี่ยมันก็เหมือนกับจั ก, กรกลัตนะเป็นการพูดถึงว่าพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเนี่ยประกอบด้วยจั ก, กรกลัตนะเจ็ดประการ มีช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุนพลแก้วแก้วมณีปรินายกแก้วก็รวม็ดเสร็จก็ทั้งหมดอ่ะก็เจ็ดประการด้วยกันแล้วก็โดยเฉพาะจักแก้วเนี่ยจะมีความสําคัญคือสามารถจะส่งไปปราบปรามปั จ, จมิตรในบ้านเมืองต่างๆได้แล้วก็ถ้าเขายอมสยบก็ไม่เป็นอันตรายถ้าไม่ยอมสยบก็จะถูกจัก การรัตนะนีํทำลายแต่ว่าจักรของพระพุทธเจ้าเป็นจักรคือธรรมะที่จะหมุนนำขับเคลื่อนนำชีวิตของบุคคลผู้ใดอาศัยให้ไปสู่ความเจริญเป็นสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติแต่โดยเนื้อหาสาระนี่มุ่งไปสู่นิพานสมบัติเป็นการประกาศหลักการสาคัญของพระพุทธศาสนาซึ่ง ถ้าเรามองกันเนี่ยจริงๆนะว่าธรรมจักเนี่ยจริงก็หมดแล้วคําสอนทั้งปวงในการต่อมาอีกสี่สิบห้าปีเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับธรรมจักต่อพันนาสุเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธศาสนาอริยสัจสี่ในธรรมจักท่านเองได้แสดงอริยสัจสี่ไปแล้วก็แสดงในรูปกระบวนการกระจายออกไปมากพอสมควรส่วนรายละเอียดที่เราจะไปหมุนวนอยู่แถวตัวเนี้ยจะนาน เพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะเรื่องเรื่องธรรมจักเนี่ยถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วน่าตื่นเต้นอย่างนึกว่าถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองมากพอมันน่าจะให้นักปราทางศาสนาโดยเฉพาะที่เก่งศาสนาแล้วก็เก่งภาษาแปลคำภีพระเวทออกมาให้หมด แล้วในขณะเดียวกันก็จะประเด็นเนื้อหาออกมาแล้วเราก็จะโยงเห็นชัดเจนเลยนะฮะว่าเพราะว่าพระสูตรคือธรรมจักเนี่ยเป็นพระสูตรที่ขึ้นแปลกมันนิ่งๆขึ้นตะเวมเลยทางสองทางที่บุคคลไม่คนเสร็จเลยมันน่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังก่อนหน้านั้นแต่ข้อความมันก็ขึ้นแค่นั้นเอวเมสุตา น, นั้นเป็นเรื่องที่ว่ากันทีหลัง ตอนสังขายนานะคือตอนขึ้นเนี่ยตอนขึ้นต้นเราเจ้าทรงแสดงก็ขึ้นอย่างนั้นทีนี้เราจะตีกรองอมะตะอมะตะนั้นก็คือกรองธรรมเพรีคือเสียงแห่งธรรมที่จะทาผู้ได้ฟังเนี่ยไม่ต้องให้ตายคือเป็นธรรมะที่ทำคนผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตาย ก็เป็นการเชื่อมโยงกับความคิดของพราหมณ์ที่เกี่ยวกับน้ําอมฤตซึ่งก็ว่ากันว่าทําผู้ดื่มไม่ให้ตายปจุจจ ա วไปใช้คําที่สอดคล้องกับพื้นฐานของสังคมอารยันยุคนั้นคือว่าใส่ใจสนใจเรื่องไม่ตายกันมากปจุจจ ա วก็ทรงใช้คําอมตะตีกรองอมตะในโลกอันมืด มืดด้วยอะไรฮะมืดด้วยวิชาท่านอชิตมนโนบได้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าโลกคือหมูสัตว์อันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงลุดอยู่ในที่มืดพระสงแสดงว่าโลกคือหมู่สัตว์อันนวิช า, าปิดบังไว้จึงหลงรุดอยู่ในที่มืดแม้เดือนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะตอนพระเจ้าทรงประกาศ ธ, ธรรมะอยู่มีคราวหนึ่งสหายหญิงสหายของนางวิสาขา มาเมาสุราต่อประพักพระพุทธเจ้ามาฟังเทศนะฮะพกสุรามาด้วยพระเจ้าทรงบันดาลในพุทโดยพุทธานุภาพให้บริเวณตรงนั้นมืดมิดอย่างแรงมืดเอามากๆแล้วก็มีลําแสงพุ่งเข้ามาหาคนเหล่านั้นแค่ไฟฉายพุ่งเข้ามาหาได้สองหน้าคนเหล่านั้นพราะนั้นตกใจก็สั่งเมาลับสั่งซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันเหมือนกับ ทุกวันในเดียะไรเหมือกนกันเลยแล้วสั่งว่าเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันอยู่อีกเล่าในเมื่อโลกกระสันนิวาตนี้ลูกโพลุตลอดเวลาพวกเธอที่ถูกความมืดคุ้มห่อเอาไว้ทําไมไม่แสวงหาปที่เป็นเครื่องส่องทางแก่ชีวิตเราเพราะโลกมันก็มืดมันทั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะมันถูกคุ้มห่อด้วยกระโปร ง, งไข่เกือวิชา เพราะสิ่งที่เข้าใจาความมืดได้ก็คือตัวธรรมาจากสุขคือดวงตาที่เห็นธรรมเป็นอย่างน้อยจึงก็ท่ น, นับจากระดับประโซดาบันขึ้นไปผลข้อความตัวนี้จริงรับสังว่าเราจะตีกรองอมตะในโลกอันมืดเพื่อให้สัตว์ได้ธรรมาจากสุขต้องฟังกันไร แต่โรมาพุทธิยาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาอิาง่งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไพบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยท่วกันสวัสดี